ครั้งนี้เราคงศึกษาเรื่องเรื่องกรรมเลยเรื่องกรรมนั้นก็คือเรื่องของกรรมบทนะแต่ก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของไตรสรณะหรือว่าสรณคมของเราอยู่แต่ว่าในช่วงนี้ก อ, องเปลี่ยนหัวข้อใหม่โดยกล่าวเน้นไปที่เรื่องของกรรมเป็นหลัก นะโดยเน้นเรื่องตรรมเป็นหลักทั้งที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมแต่ส่วนที่เป็นพิเศษเราจะกล่าวถึงเรื่องของกรรมบททั้งที่เป็นกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทก่อนที่เราจะเรียนเรื่องกรรมบทนั้นจะขอกล่าวถึงในข้อความในทีคณิกายปาติกวั ลักษณะสูตร น, นะว่าเราจะได้รู้ว่าความที่สัตว์ทั้งหลายนั้นนะเป็นไปตามกรรมจริงๆคือแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังเป็นไปตามกรรมกรรมนี้เป็นตัวปรุงแต่งจัดแต่งขึ้นนะเพราะว่าเราเคยได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วว่าขันธ์ห้าเป็นที่ดูบุญและดูบาภัณฑ์รู ป, ปรขันธ์ ขันห้าก็คือมีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันตัวรูปประขันเองนั้นก็คือมหาภูตรูปและอุปาทายรูปในภูตรูปและอุปาทายรูปนั้นน่ยมหาภูตรูปบางอย่างก็มีกรรมเป็นสมุธานคือมหาภูตรูปนั้นมีทั้งสี่สมุธาน แต่ในขณะเดียวกันนั้นมหาภูตรูปมีกรรมเป็นสมุทฐานเนี่ยเด่นชัดที่สุดในกายของเราเพราะว่าการศึกษาพระธรรมคําสอนเกี่ยวกับเรื่องกรรมนั้นจะต้องหันมามองย้อนมาที่ชีวิตเรียกว่าเป็นธรรมะภายในในก็คือในตัวในตั ว, ตวเรียกบาลีใช้คําว่าอัจฉรธรรมแต่ภาษาไทยเราใช้คําว่าตัวเราแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเลยเนี่ยอาจจะมีคําของท่านที่มันชัดเจนก็คือ อัจฉ ะ, ะธรรมคือธรรมะภายในภายในก็คือในตัวเรานั่นเองเพราะว่าคําไทยนั้นที่จริงไทยนั้นเป็นภาษาที่ที่ใช้คําพูดไม่มากนะตัวภาษาดั้งเดิมเป็นไทยแทย้ๆมีอยู่ไม่กี่คําเหมือนอย่างพวกเจตสิกทั้งหลายแหล่นะใจมีอยู่คําว่าคิดนึกรู้จําแจ้งรู้ไม่กี่คําหล่ะเฉพาะไทยๆเนี่ยไทยโดดๆมีไม่กี่คํา แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้อยคำเหล่านั้นเป็นภาษาบาลีเังนันในเรื่องของกรรมนั้นถ้าหากว่าเราพิจารณามากๆแล้วอ่ะจะเห็นว่าในชีวิตของเราเนี่ยในในร่างกายทั้งหมดเลยนะส่วนไหนที่เป็นผลของกรรมบ้างนะส่วนไหนส่วนที่เป็นผลของกรรมก็คือผมผมส่วนที่อยู่ในหนังศีรษะเข้าไปแล้วนะส่วนที่อยู่ในหนังศีรษะที่ ตรงนั้นเนี่ยมีสมุธฐานสี่แต่ถ้าพ้นพ้นออกมาจากหนังสรษะแล้วเนี่ยมีสมุธฐานเดียวคืออุตุสมุธฐานแต่อุตุอันนี้เนี่ยมาจากกรรมจิตอุตุและอาหารอีกครั้งหนึ่งเป็นอุตุนะเส้นผมที่ออกมานอกนอกนอกผมแล้วเนี่ยมีกรรมมีจิตมีอุตุเป็นปัจจัยเรียกว่ากรรมะปัจจะยะอุตุหรือว่าจิตตะปัจจะยะอุตุหรืออาหารปัจจะยอุตุ หรือสุดท้ายก็อุตุปัจยะอุตุเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือเป็นอุตุชรูปเท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนที่เบื้องลึกของผมแล้วก็คือมีกรรมเป็นสมุทฐานขนก็มีกรรมเป็นส ม, ทนนมุรรมสมทฐานเล็บก็มีกรรมเป็นสมุทฐานนะหนังผิวหนังนี้ก็มีกรรมเป็นสมุทฐานฟันก็มีกรรมเป็นสมุทรฐานนะแม้กระทั่งเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทั้งหลายเหล่านี้ก็มีกรรมเป็นสมุฐาน ที่ไม่เป็นกรรมเป็นสมุทฐานเลยก็คืออุจจระกับปัสสว ะ, ะนี่นี่ไม่ไม่ใช่กรรมสมุทฐานนะพวกนี้เป็นเป็นอุตุชรูปอย่างเดียวเป็นอุตุชรูปอย่างเดียวนะอุจระปัสสาวะ น, นั่นแหละทันส่วนที่น้ําตานี่มีจิตเป็นสมุทฐานเพราะนั้นในเรื่องของร่างกายของเรานั้นถ้าศึกษาอาการ42เราเคยได้ยินอาการ32องใช่มสามสิบคือเฉพาะธาต ไฟกับอ่าขออภยัยธาตุดินกับธาตุน้ำส่วนธาตุลมหกธาตุไฟสี่ไม่ค่อยกล่าวถึงที่จริงแล้วมี4ี่สิบสองคือในในตัวเราเนี่ยเรียกว่ามหาภูต ร, รูปสี่ในมหาภูต ร, รูปสี่นั้นมีความสำคัญกับกับชีวิตหรือกับการปฏิบัติธรรมสูงมากนั่นแหละพระสูตรส่วนใหญ่ทั่วไปถ้าพูดถึงรูปประขันตจกักขะยาย เรื่องของมหาภูตรูปสี่และมหาภูตรูปสี่เน้นที่ภายในนั่นแหละทีนี้ในมหาภูตรูปสี่เหล่านี้ก็มีกรรมเป็นสมุฐานในช่วงนี้เรามาศึกษาเรื่องกรรมทําให้เรามองเห็นชีวิตของเรามากขึ้นโดยชั้นต้นขอกล่าวถึงพระสูตรที่กล่าวว่าแม้แต่รูปร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยกรรมเนี่ยแต่งคิดดูว่ากรรมกว่าจะมาแต่งเป็นมหาุริศลักษณะ3 2มประการ มีอนุพยัญชนะอีกแปดสิบประการอันนั้นที่มาแต่งเป็นรูปร่างกายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยที่เป็นรูปประขันอันนั้นเนี่ยมาจากบุญกุศลทั้งมากมายมหาศาลแล้วที่เป็นเวทนาขันเวทนาขันที่เป็นวิบากอันนั้นก็ถูกกรรมเป็นปัจจัยมาอีกมากแม่แต่วิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณของพระผู้มีพระภาคก็มาจากกุศลกรรมเป็นเป็นปัจจัยนั่นแหละอาศัย ส่วนที่มาจากกรรมเนี่ยแต่งขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะถ้ากรรมแต่งแล้วแสดงว่ามีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมกรรมจะให้ผลได้เพราะมีตันหาพระ อ, องค์บอกว่าพระ อ, องค์เนี่ยที่ปฏิสนธิที่เกิดมาก็เพราะตันหาเป็นปัจจัยเหมือนกันนะมีตันหามีวิชามีอุปาทานเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคก่อปฏิสนธิขึ้นแม้แต่พบสุดท้ายแต่ในขณะเดียวกันนั้นพระผู้มีพระภาคสั่งสมพระบา ร, รมีธรรมนาแล้วเพรา ะ, ะบา ร, รมีที่พระองค์ทรงบ่ม อ บ, บรมเจริญสั่งสมมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกัปมาชาติสุดท้ายพระองค์ก็เจริญธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงเจริญเป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมเลยที่ชัดเจนมากบางแห่งท่านก็บอกว่าโพชงเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมหรือว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมเป็นกรรมไม่ดำไม่เขา ให้ผลไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อตัดกุศลและอกุศ ล, ลกรรมหันชีวิตของเราท่านทั้งหลายนะส่วนหนึ่งอยู่ด้วยผลของกรรมจริงๆถ้าหากว่าเรามีความชัดเจนในเรื่องกรรมมากเท่าไหร่เราจะเข้าใจในเรื่องอริยสัจมากเท่านั้นชาติพิทุกขาก็คือผลของกรรมชาลาพิทุกขาส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรม มรณะเป็นทุกขังไอ้มรณะส่วนหนึ่งก็ผลของกรรมจุติจิตเป็นผลของกรรมไหมอ่าก็ผลของกรรมอีกนั่นแหละทุกขะกายญาวิญญาณก็เป็นผลของกรรมแต่โศกะนี่ทำก ร, รําใหม่นะนั่นแหละทั้งส่วนหนึ่งชีวิตของเรานั้นอ่ะแยกไม่ได้เลยก็คือตัวกรรมคือมีอยู่มากแม้แต่ชีวิตตรูปชีวิ ต, ตรูปนั้นเป็นกรรมมชรูปมีกรรมเป็นเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าเราฟังสูตรนี้ปั๊บจะทําให้มองชีวิต ในในตัวของเราเองว่าส่วนไหนที่เป็นผลของกรรมบ้างแล้วก็ศึกษาในในพุทธคุณว่าเ อ, อพระองค์ก็ยังเป็นไปตามกรรมเสร็จแล้วเราจะได้ศึกษาเรื่องกรรมบทชัดเจนขึ้นข้อความในทีขณิกายปาติกวัตรลัคณะสูตรข้าพเจ้าคือพระอานนทเทระ ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีในพระนครสาวบถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียบทิ่สูตทั้งหลายว่าดูก่อนทิ่สูตทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ดังนี้นะคือพระผู้มีพระภาคนั้นก่อนที่จะแสดงธรรมพระองค์ก็ทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายก่อนคือเพื่อเตือนให้เกิดสตินะคือบางองค์อาจจะนั่งคิดบางเรื่องอยู่บางองค์อาจจะใส่ใจในกรรมฐานอยู่ถ้าหากว่าไม่พิจารณาปั๊บก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะพระสูตรนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นอ่ะก็เรียกให้ได้สติก่อนคือจะได้ตั้งใจฟัง พระสูตรนี้ก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะตรัสนั้นมีเรื่องเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีก่อนคือชาวเมืองสาวัตถีก็นั่งประชุมสนทนากันในประตูบ้านนะที่ที่นั่งเป็นต้นนะนะก็คือเหมือนกับถ้าคนสมัยก่อนว่างๆก็มานั่งที่โคนไม้ที่นั่งแล้วก็สนทนากันว่าพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระรศมีออก จากพระวรกายวาหนึ่งมหาปริษลักษณะ3 2สิบสองประการเมื่อเปล่งพระรสมีมีสีหประการใช้แสงจากข้างนี้จากข้างนี้ย่อมงามเหลือเกินประดุจ ด, ดอกไม้สวรรค์แย้มบานทั้งหมดคือพระผู้มีพระภาคนั้นที่กรรมเนี่ยแต่งให้มีความงดงามวิจิตรมากและในขณะเดียวกันอาศัยที่พระองค์นั้นพิจารณาปัฐาน แล้วก็มีพระรมีออกจากนั้นเนี่ยรศมีอันนี้ออกตลอดเลยพันรศมีที่ออกมาจากพระวรกายเนี่ยงดงามมากเหมือนกับสวนดอกบัวที่แย้มกลีบดุดเสารเนียดวิจิตด้วยแก้วต่างๆประดุจท้องฟ้าซึ่งสะพรั่งไปด้วยดาวและพยับแดดมิได้บอกว่าก็ลักษณะนี้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นด้วยกรรมนี้เออพระ อ, องค์ยังไม่ได้ตรัสเลยนะว่า ร่างกายของพระ อ, องค์นั้นมาจากกรรมอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะพระองค์ให้ทานแม้เพีย ง, เ, ยงเข้าวยาคูกระบวย y หนึ่งหรือว่าเพียงข้าวถ้าพียหนึ่งเป็นปัจจัยลักษณะเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าคืออยากจะรู้เอ๊ะพระองค์เนี่ยทำกรรมอะไรมานะรูปร่างกายของพระองค์เนี่ยจึงวิจิตลักษณะนี้ ทีนี้พระนนนเถระท่านก็จาริกไปในหมู่บ้านนะก็คือไปบินทบาทเป็นต้นนั่นแหละได้ยินเขาสนธนากันหลังจากทาพัฒกิจคือฉันเสร็จแล้วก็มาสู่วิหารกระทำวัดปฏิบัติแก่พระศาสดาแล้วถวายบังคมกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้กระถาข้อหนึ่งภายในหมู่บ้านนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าเธอฟังมาอย่างไร ท่านพระ อ, อ น, นุ์ก็กราบทูลให้สงทราบทั้งหมดพระศาสดาฟังถ้อยคำของพระเถระแล้วก็ตรัสเรียกที่สุทั้งหลายที่นั่งแวดล้อมอยู่ทรงแสดงลักษณะโดยลำดับว่าดูก่อนพี่สุทั้งหลายมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการนะเรียกว่ามหาปุริสลักษณะก็คือความปรากฏแห่งความเป็นมหาบุรุษ หรือว่านิมิตแห่งมหาบุรุษหรือเหตุที่ทําให้รู้ว่าเออผู้นี้เป็นมหาบุรุษนะเพราะมีประกอบอเพราะมีองค์ประกอบมีลักษณะมีนิมิตมีเครื่องหมายมียี่ห้อแบบนี้เขาเลยเรียกผู้นี้ว่าเป็นมหาบุรุษน ะ, ะลักษณะมีอยู่ทั้งหมด32ประการที่ทําให้เห็นว่าเออผู้นี้เป็นมหาบุรุษ ผู้ที่ประกอบด้วยมหาปริศลลักษณะ32ประการเหล่านี้ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคติแปล ว, ว่าที่ไปหรือที่ดำเนินของชีวิตคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระธรรมราชามีมหาสมุทรสีเป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีอาณาจักรมั่นคงประกอบด้วยรัตนะเจประการ จะมีรัตนะอีกเจ็อย่างคือจะจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วครืหาบดีแก้วปรินายกแก้วเป็นที่เจพระราชบุตรของพระองค์นี้มีกว่าหนึ่งพันล้วนกล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ายีเสนาของข้าศึกได้พระองค์นี้ทรงชนะโดยธรรมโดยเสมอไม่ต้องใช้อาจยา มิต้องใช้สาตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตหมู่บ้านเมืองของพระเจ้าจักรพรรดินะมีทะเลเป็นเครื่องกั้นและก็มิได้มีเสาเขื่อนไม่มีนิมิตไม่มีเส้นน้ำโอ้สัตขาศึกศัตรูไม่มีแม้แต่คนเดียวว่างั้นมั่งขั่งแพร่หลายมีความเกษมสราญไม่มีเสนียดก็คือพวกโจรกฎไม้อาญาไม่มีสักอย่าง นนะผู้ที่มีมหาปริษลลักษณะทั้ง32ประการนะถ้าครองเรือนจะเป็นลักษณะนี้เป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินทั้งหมดมันงั้นแต่ถ้าเสด็จออกบวชเป็นบนรรปะชิตจะได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกมีหลังคาคือกิเลสเปิดแล้วในโลกโลกไหนสัตว์วโลกกับขันธโลกในบรรดาขันธโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยเปิดแล้วใช่ห ขันธโลกกิเลสเป็นขันธ์อะไรกิเลสเป็นขันธ์อะไรเป็นสังขารขันธนะ์กิเลสเป็นสังขารขันธ์เป็นธรรมายตะนะกิเลสเป็นบางอย่างเป็นสมุทัยสัตว์บางอย่างเป็นทุกขสัตรนั้นกิเลสนั้ น, นอ่พระองค์เนี่ยเปิดแล้วจากโลกคือขันธโลกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนะเป็นขันธ์ที่ผ่านการรอบรู้มาอย่างละเอียดละออถี่ท่วนสมบูรณ์แบบ ัผู้ที่จะเป็นพระอรหันตัสมมาสัมพุทธเจ้านั้น่ะเปิดกิเลสนะหลังคาของหลังคาคือกิเลสเนี่ยออกจากขันธโลกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์มองเห็นแต่แต่จิตเห็นของพระองค์หรือแม้กระทั่งชาวนะจิตของพระองค์ไม่เจอด้วยกิเลสพระองค์ได้ยินเสียงแต่จิตที่ได้ยินเสียงของพระองค์นั้น่ะไม่เจอด้วยกิเลสนะจิตที่คิดนึกเรื่องเสียงต่างๆหรือจิตที่นึกคิดต่างๆของพระผู้มีพระภาค ไม่เจอด้วยความเศร้าหมองแม้แต่นิดเดียวไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีอคติอย่างใดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยอันพระองค์เนี่ยเปิดบาปเปิดอกุศลเหล่านั้นแล้วดูการพ่สูจทั้งหลายมหาบุริสลักษณะ32ประการนั้นเป็นไงนซึ่งพระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นถ้าครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรด อันหนึ่งถ้ามหาบุรุษนั้นเสด็จออกพนวดจะได้เป็นทราอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในลูกจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราเคยกล่าวถึงมหาปริศลักษณะสามสิสองประการสูตรวันที่เราเรียนเรื่องสาระคมประเภทนอบน้อมใช่ไหมพรามชื่อว่าพรหมมายุพรามนะพรหมมายุพรามเป็นพรามที่ อ่านอบน้อนพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างยิ่งเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็จะอ่านทบทวนแต่ว่าในก่อนนั้นเนี่ยกล่าวถึงแต่มหาปริศลักษณะนิมิตของบุคคลผู้นี้ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจาักราพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตรงนี้จะกล่าวถึงมหาปริศลักษณะซะก่อนเสร็จแล้วจะกล่าวถึงกรรมกรรมอะไรที่ทําให้ได้มหาปริศลักษณะเหล่านั้นอันนั้นก็พูดถึงความสําเร็จแล้วก็พูดถึงเหตุ ด, ด้วยใช่ไหม ดูกากพิสูจทั้งหลายมหาบุรุษในโลกนี้ 1. มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีการที่พระมหาบุรุษมีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีนี้เป็นมหาุริษลักษณะของมหาบุรุษ 2. พื้นภายใต้ฝาพระบาทของพระมหาบุรุษมีจักเกิดขึ้นมีซี่กรรมข้างละพันมีกงมีดุม บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงแม้การที่พื้นภายใต้ฝาพระบาทของพระมหาบุรุษมีจักเกิดขึ้นมีซี่กามข้างละพันมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงนี้ก็เป็นมหาปริศลักษณะของพระมหาบุรุษ 3. มมีส้นพระบาทยาว 4. มีพระองคุรียาว 5. มีฝาพระบาทและฝาพระหั์และฝาพระบาทอ่อนนุ่ม 6. มีฝ่าพระหัตต์ฝ่าพระบาทมีลายประหนึ่งตาข่ายคือคือเป็นคล้ายๆตารางหมาคอสอะในฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ย 7. มีข้อพระบาทลออยู่เบื้องบน 8. มีพระชงเรียวดุจแข้งเนื้อสาย 9. เสด็จยืนไม่ได้น้อมพระวรกายลงเอาฝ่าพระหัตต์ทั้งสองลูบคลำได้ถึงพระชานุทั้งสองนะยืนตรงๆนี่มือลูบเขาได้10มีพระคุยหะ เรนอยู่ในฝักเหมือนช้างอะ่ะสิอมีพระชวิวันดุดทองคําคือมีพระตาจตาจาก็คือหนังประดุดหุ้มด้วยทองก็บอกใครอยากเห็นผิวพันธุ์ของพระพุทธเจ้าให้ไปดูทองชมพูนุษที่บริสุทธิ์นะผิวของพระองค์เป็นอย่างนั้นแหละสิสองมีพระชวิละเอียดเพราะพระชวิละเอียดคือผิวละเอียดเนทุลีละอองจึงไม่ได้ติดอยู่ในพระวรกายเดินทั้งวันฝุนก็ไม่ติด แต่พระ อ, องค์ก็ส่งน้ำเือนการเพื่อเอาอุตุเหนนั้นเพื <P> ่อ <ew> er> เป็นธรรมเนียมของชาวโลกเหมือนั้นสิบสามมีพระโลมาขมละเส้นขมละเส้นเสมอไปทุกขุมขนสิบสี่มีพระโลมามีปลายช้อยขึ้นข้างบนมีสีเขียวเหมือนสีดอกอัญชันขดเป็นกุนทนทักษินาวัฒน์ขนเนหมืนสิบห้ามีพระวรากายตรงเหมือนกายพรหมไม่คมอย่างตรงผังก <c oughs> ารนั่งตรง อ่าิบหกมีพระมังสะเต็มในที่เจสถานคือที่หลังพระหัตถ์ทั้งสองหลังพระบาททั้งสองจะงอยบาพระอ่ะจะงอยพระอังสาทั้งสองและพระศอคือเต็มหมดเลยไม่มีแบบมองเห็นกระดูกนั้นไไม่มีสักอย่างิบเจ็ดมีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งพระกายท่อนหน้าของสีหะดูเหมือนราชสีวงนั้นเถอะสิบแดมีระหว่างพระอังสาเต็มบาเนี่ยเต็ม มีปริมนทนดุดไม้นิโครดวาของพระองค์เท่ากับผวรกายของพระองค์ผวรกายของพระองค์เท่ากับวาของพระองค์มีวากระกายยาวเท่ากันยี่สิบมีลำพระศอกลมเท่ากันคอเนี่ยกลมเสมอกันยีบเอ็มีปลายเส้นประสาทสําหรับนํารถอาหารดี22มีคางเหมือนคางราชสียี่สามีพระทนสี่สิบซี่พระทันตะ ฟันสี่สมีพระทนเรียบเสมอกัน25้ามีพระทนไม่หากนี่แปลงฟันํบายเลยนะ26มีพระทาถะขาวงามเขี้ยวงาม27มีพระชิวหาใหญ่ลิ้นขคาะฝาแผ่นลิ้นของพระองค์เนี่ยใหญ่มากปิดหน้าได้28มีพระสุรเสียงดุจเสียงแห่งพรมตัดมีสำเนียงดังนกกระเวกเหมือเสียงนี่คนฟังปั๊บเดโง ยังแบบถูกสะกดอย่างไรแค่น้ำเสียงนี่ก็พิเศษแล้วนะยี่สิบเก้ามีพระเนตรดำสนิทสามสิบมีดวงพระเนตรดุจตาโคสามสิบเอ็ดมีพระอุณาโลมบังเกิดณระหว่างพระขนงมีสีขาวอ่อนควรเปรียบด้วยปุยนุ่นนะระหว่างหน้าผากเนี่ยจะมีขนสีขาวขึ้นสามสิบสองมีพระเสียนดุจประดับด้วยกรอบพระพักเหมือนมีเหมือนคนใส่กรอบหน้า คนหน้าไม่ค่อยเต็มนะเอากรอบหน้ามาใส่จะดูงามพอสมควรงั้นแหละดูก่านพิสูจน์ทั้งหลายมหาปริศลักษณะ32ประการนี่แหละที่พระมหาบุรุษประกอบแล้วย่อมเป็นเหตุให้มีคติเป็นสองเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะอันหนึง่งถ้าพระมหาบุรุษ เสด็จออกพนวดจะเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกภิกษุทั้งหลายพวกฤาษีแม้เป็นภายนอกย่อมทรงจำมหาปริษลักษณะของพระมหาบุรุษสามสิบสองเหล่านี้ได้นั่นคือในในเวทมนต์หรือว่าในตำราดูดูคนของฤาษีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขามีสอนกัน นะถ้าผู้ที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างนี้ทางจีนเขาเรียกอะไรนะตำราดูโ oh, ง่แห้งนะดูตำลักษณะของคนเนี่ยแค่ดูลักษณะนี้ก็พอรู้ได้นะว่าใครเป็นใครนะแต่พวกฤาษีเหล่านั้นเนี่ยรู้เฉพาะลักษณะตามตำราเหล่านั้นแต่ฤาษีเหล่านั้นย่อมไม่ทราบว่าเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมที่ตน ทำสั่งสมพ่อภูนภัยบู์ไว้สัตย์ที่บำเพ็ญกุศลกรรมเหล่านั้นย่อมครอบงามเทวดาทั้งหลายอื่นในโลกสวรรค์โดยสถานสิคืออายุทิพติผิวพันทิพคือวรรณะทิพตความสุขทิพยทิพและก็ความเป็นอธิบดีทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพและโพธะพะทิพครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ย่อมได้มหาบุริศลักษณะนี้นะคือฤาษีทั่วไปนี้เขารู้เฉพาะลักษณะเหล่านี้เขารู้แต่งโง่แหงอะนะแต่ไม่รู้ว่ากรรมอะไรที่ทําให้ได้ลักษณะเหล่านี้เหล่านี้เขาไม่รู้ดูความพิสูจน์ทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนคือในอดีตชาติานะในกําเนิดก่อนนั้นเป็นผู้ยึดมั่นในกุศลธรรมกุศลธรรมในที่นี้ก็คือตั้งมั่นใน กุศลักรมบท10ประการนะยึดมั่นไม่ถอยหลังนะไม่ถอยหลังในการยะทุจริตวจออีขออภยัยในการยะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตการบำเพ็ญทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติดีในมารดาบิดาในสมณพราหมณ์ในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในธรรมะ ในอาทิกกุศลอื่นๆนนื่ก็คือพระองค์ก็ย้อนว่าที่พระองค์ได้มหาปุริสลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญกุศลธ ร, รรมมาก่อนในชาติก่อนเนี่ยยึดมั่นในกุศลธรรม <c oughs> เขาบอกว่าในกุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงกุศลกรรมบท10คําว่ายึดมั่นไม่ถอยหลังได้แก่ยึด แน่นเป็นนิดคือยึดมั่นไม่ถอยหลังยึดอะไรยึดกุศลไม่ถอยหลังอ่ะมีแต่จะทำให้มันยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไป